สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้อยู่ในกฎ2กฎครับซึ่งเป็นกฎสุดท้ายของ20กฎทองคํากฎข้อที่9นะครับคือกฎแห่งการตอบสนองตอบรับขานรับของพระเจ้าอาจจะเรียกได้ ว, ว่าเป็นกฎที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ครับเพื่อที่เราเองนั้นจะต้องระวัง เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงการที่พระเจ้าจะทรงให้คนที่ขุดหลุมพรางตกลงไปในผมพรางของตัวเองอันนี้ปรากฏอยู่ชัดเจนครับและพังพีได้พูดว่าเขาขุดหลุมพรางไว้และตกลงไปในหลุมพรางที่เขาขุดไว้นั้นบรรดาประชาชนได้จมลงในหลุมซึ่งเขาได้ทําไว้ในวันนี้ครับจะพูดถึงสองประเด็นสุดท้ายก็คือ ผู้ที่หลอกลวงก็ต้องถูกหลอกลวงคืนครับเพราะเจตน์ของพระเจ้าได้ปรากฏอยู่เป็นชีวิตของพฤดิกรรมของยาโคบซึ่งปรากฏอยู่ในปฐมกาลบทที่27ข้อที่8ถึงข้อที่23พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าในบริบทนั้นก็เป็นเรื่องราวของยาโคบซึ่งหรือว่าเป็นนักหลอกลวงหรือว่ายาโคบเดอะไลเออร์ อย่าโคบนักหลอกลวงนั้นเขาใช้กลยุทธ์อุบายเพื่อที่จะได้ตำแหน่งบุดหัวปีบุดหัวปีจากใครครับนชายของเขาครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากจะดูเรื่องาราวต่างๆนี้นครับให้ไปเปิดในพระธรรมปฐมกาลบทที่27ข้อ18ถึงข้อ23ครับพังเพิกตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องของผู้ที่หลอกลวง ในปรธมรการบทที่30ข้อ27เถึง43เราจะเห็นนะครับในที่สุดยาโคบเองนั้นก็ถูกลูกลูกของตัวเองหลอกเหมือนกันครับโดยสูญเสียโยเซฟสุดที่รักไปแล้วลูกลูกเหล่านั้นก็มันหลอกว่าโยเซฟนั้นตายรับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสครับนั่นคือผู้ที่หลอกลวง จะต้องถูกหลอกคืนต่อมาต้องยอมจำนนต่อความลำบากเพราะว่าความใจดีของโยเซฟทําให้ก็ถูกหลอกอีกเหมือนกันครับทําให้ต้องปล่อยเบนเจามินลูกชายคนสุดท้ายไปกับพี่ชายของเขานี่ปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่42ข้อที่3 6มสถึงสาพี่น้องครับเพื่อที่พี่น้องจะไม่ต้องเปิดพระกัมภีร์ผมจะขออนุญาตอ่านให้พี่น้องฟังครับ เพื่อพี่น้องจะได้ฟังจากพระกัมภีร์บ้างตอนแรกอยู่ในพระธรรมผลวิการบทที่27นะครับข้อ18ถึงข้อที่23ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาเข้าไปหาบิดาของเขาและพูดว่าพ่อขอรับอิสอักพูดว่ามีอะไรหรือลูกเจ้าคือใครยาโคบกล่าวก่บิดาว่าลูกคือเอสาวบุตรหัวปีของพ่อลูกได้ทําตามที่พ่อสั่งแล้วโปรดลุกขึ้นมารับประทานเนื้อที่ลูกหามา เพื่อพ่อจะได้ให้พรของพ่อแก่ลูกอิสอักถามบุตรชายของเขาว่าทำไมหาได้เร็วนะลูกยาโคบตอบว่าก็เพราะพระยาเวพระเจ้าของพ่อประทานความสาเร็จแก่ลูกแล้วอิสักจึงพูดกับยาโคบว่าลูกเอ๋ยเข้ามาใกล้ๆให้พ่อคลาตัวลูกดูจะได้รู้ว่าเจ้าเป็นเอสาวลูกของพ่อจริงหรือไม่ยาโคบเข้าไปใกล้อิสักบิดาของตน อิสอักจับต้องตัวเขาแล้วคิดว่าเสียงเป็นเสียงของยาโคบแต่เป็นมือของเอสาวอิสอักก็จำเขาไม่ได้เพราะมือของเขามีขนดกเหมือนมือของเอสาวพี่ชายของเขาดังนั้นอิสอักจึงเตรียมอวยพรเขาเลครับนั่นคือการหลอกลวงเพื่อที่จะขอพอรจากพ่อของยาโคบครับต่อไปอีกตอนนึงนะครับ การบทที่สามิข้อยี่สิบเจ็ดเราจะอ่านไปจนถึงข้อที่43ครับลาบันกล่าวกับเขาว่าหากท่านจะกรุณาเราโปรดอยู่ต่อเถิดเรารู้จักคําทํานายว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเราเพราะท่านเขากล่าวเสริมอีกว่าท่านจะเรียกค่าจ้างเท่าไหร่ก็บอกมาเถิดเราจะจ่ายให้อย่าโคบกล่าวกับเขาว่าท่านรู้ว่าฉันได้รับใช้ท่านอย่างไร ในฝูงแพะแกะในความดูแลของฉันได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพียงไรที่ท่านมีอยู่เล็กน้อยก่อนที่ฉันจะมาเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นมหาศาลไม่ว่าฉันจะทำอะไรองค์ผู้เป็นเจ้าก็ทรงอวยพรท่านแต่เมื่อใดฉันจึงได้ทำอะไรเพื่อครัวเรือนของตนเองบ้างเล่าลาบันถามว่าเราควรให้อะไรท่านดียาโคบตอบว่าไม่ต้องให้อะไรฉันหรอก ฉันจะเลี้ยงและดูแลฝูงแกะท่านต่อไปถ้าท่านตกลงกับฉันอย่างหนึ่งคือในวันนี้ฉันจะออกไปสำรวจฝูงสัตว์ของฉันของท่านดูแล้วแยกแกะที่มีลายด่างลูกแกะสีครั้มแพะที่มีลายด่างทุกตัวออกจากฝูงสัตว์เหล่านี้ถือเป็นค่าจ้างของฉันแต่นี่จะเป็นพยานถึงความซื่อสัตย์ของฉันในอนาคตคือทุกครั้งที่ท่านตรวจดูค่าจ้างที่จ่ายให้ฉันหากพบว่าแพะตัวใด ในกรรมสิทธิ์ของฉันไม่มีลายด่างหรือลูกแกะตัวใดไม่มีสีคล้ำก็ให้ถือว่าฉันขโมยมาลาบันตอบว่าตกลงให้เป็นไปนตามที่เจ้าว่าไว้ในวันนั้นเองลาบันก็ออกไปคัดแพะแพะทั้งตัวผู้และตัวเมียทุกตัวที่มีลายด่างออกมาทุกตัวที่มีสีขาวอยู่ด้วยตลอดจนลูกแกะสีคล้ำทุกตัวออกจากฝูงแล้วนําไปให้บรรดาบุตรชายของเขาเลี้ยงและเขาก็ ให้ฝูงแพะแก่ของเขากับของยาโคบอยู่ห่างกันเป็นระยะเวลาเดินทาง3มวันในขณะที่ยาโคบยังเลี้ยงฝูงจัดที่เหลือให้ลาบันต่อไปอย่างไรก็ตามยาโคบเอากิ่งไม้สดสดจากต้นป๊อปล่าต้นอัลมอนด์และต้นเปลนมาลอกเปลือกออกให้เป็นริ้วให้เห็นเนื้อไม้สีขาวข้างในแล้วเขาวางกิ่งไม้ที่ลอกเปลือกไว้ที่รังน้าทุกรงัง เพื่อให้อยู่ตรงห้าฝูงแกะแพะเวลาที่มันมากินน้าทุกครั้งที่ฝูงแกะแพะเป็นสัตว์และมากินน้ามันก็ผสมพันธ์กันหน้ากิ่งไม้นั้นลูกที่เกิดมาจึงมีลายริ้วลายด่างหรือลายจุดอยาโคบก็แยกลูกสัตว์เหล่านั้นไว้ต่างหากแล้วให้ฝูงสัตว์ที่เหลือหันไปทางสัตว์ที่มีลายด่างหรือสัตว์ที่มีสีคล้ำของลาบัน ด้วยวิธีนี้เองเขาจึงสร้างฝูงแพะแกะของตนเองขึ้นและไม่ได้รวมไว้กับฝูงสัตว์ของลาบันเมื่อใดก็ตามที่บรรดาตัวเมียที่แข็งแรงเป็นสัตว์อยากโคบก็เอากิ่งไม้ที่ลอกเปลือกไปวางไว้รางน้ำตรงหน้านั้นให้มันผสมกันใกล้กิ่งไม้นั้นแต่ถ้าสัตว์ตัวใดอ่อนแอเขาก็ไม่เอากิ่งไม้ไปวางไว้ที่นั่นดังนั้นสัตว์ที่อ่อนแอก็เป็นของลาบันส่วนตัวที่แข็งแรง ก็เป็นของยาโคบด้วยวิธีนี้เองเขาจึงร่ำรวยขึ้นอย่างมากและกลายเป็นเจ้าของสัตว์ฝูงใหญ่มีคนรับใช้ชายหญิงจำนวนมากและมีอูดมีลามากมายนี่ก็คืออีกตอนหนึ่งครับอีกตอนหนึ่งครับปธมกาลบทที่42ข้อ2 6ถึงครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าหลังจากนั้นโยเซฟก็สั่งให้บริวาร เอาข้าวบรรจุลงเต็มกระสอบของพวกผู้ชายแล้วเอาเงินค่าข้าวใส่คืนไว้ในกระสอบของแต่ละคนด้วยทั้งยังให้สเสบียงไว้กินตามทางเมื่อบริวารของโยเซฟทําตามคําสั่งเสร็จแล้วพวกพี่ๆจึงเอากระสอบข้าวบรรทุกขึ้นหลังลาแต่เมื่อแวะพักแรมในคืนนั้นมีคนเปิดกระสอบจะเอาข้าวให้ลากินก็เห็นเงินของเขาอยู่ที่ปากกระสอบเขาบอกพวกพี่น้องว่ามีคนคืนเงินของข้าไว้ในกระสอบ พวกเขาใจหายวา่าบกลัวจนตัวสั่นหันไปพูดกันว่าทําไมพระเจ้าทํากับเราอย่างนี้เมื่อพวกเขากลับมาหายาโคบผู้เป็นบิดาในขณะอันก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ยาโคบฟังว่าชายผู้เป็นเจ้านายปกครองดินแดนพูดจะหาเรื่องราวเร า, เราและทําต่อเราเราวกับว่าพวกเราไปสอดแนมในแผ่นดินนั้นแต่พวกเราบอกกับเขาว่าเราเป็นคนสุจริตไม่ใช่เป็นสายลับ เรามีการ12คนพี่น้องพ่อเดียวกันคนหนึ่งจากไปแล้วและคนสุดท้องยังอยู่กับพ่อในขณะอันแล้วชายคนนั้นที่เป็นเจ้านายเหนือแผ่นดินพูดกับเราว่าวิธีนี้จะทำให้เรารู้ว่าพวกเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์หรือไม่คือทิ้งพี่น้องคนหนึ่งของพวกเจ้าไว้กับเราที่นี่นอกนั้นเอาข้าวกลับไปให้ครอบครัวที่อดอยากแล้วพาน้องชายคนสุดท้องมาหาเราเราจะได้รู้ว่าเจ้าเป็นคนสุจริตไม่ใช่คนสอดแนม แล้วเราจะคืนพี่น้องของเจ้าที่ถูกขังไว้ให้พวกเจ้าและเจ้าสามารถติดต่อค้าขายในดินแดนนี้ด้วยขณะที่พวกเขาต่างกำลังเทข้าวออกจากกระสอบก็พบถุงเงินอยู่ในกระสอบของแต่ละคนและเมื่อพวกเขาและบิดาของเขาเห็นถุงเงินเหล่านั้นก็ตกใจกลัวยาโคบบิดาของพวกเขาพูดว่าพวกเจ้าช่างพลาดพ่อพลาดลูกเสียจริง โยเซฟก็จากไปแล้วสิเมโอนก็จากไปแล้วตอนนี้พวกเจ้ายังจะเอาตัวเบนเจามินไปอีกข้าก็รับกรรมอยู่เพียงคนเดียวพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าใครก็ตามที่ขุดหลุมพัางตัวเองก็จะตกลงไปในคุหลุมพัางใครก็ตามที่โกหกหลอกลวงเขาก็ต้องถูกโกหกหลอกลวงครับสุดท้ายครับใครก็ตามที่ผิดประเวณีจะต้องรับโทษผิดประเวณีพี่น้องครับดาวิดผิดประเม ผิดประเวณีกับบตรเชบาฆ่าสามีของเธอคืออูดิยาในที่สุดบรรดาลูกชายลูกสาวของดาวิดก็ผิดประเวณีและตอนบั้นปลายท้ายของชีวิตดาวิดก็ถูกลูกชุดที่รักของตนคืออับซรลมตามฆ่าพบในพระธรรมสองโซเมเอลบทที่11ข้อที่1นึงข้อ14ครับและเหตุการณ์ที่รับโทษก็คือ บทที่13ข้อ1ถึงข้อสีวันนี้หมดเวลานะครับขอพี่น้องลองไปอ่านดูครับในพระธรรม2 s a m บทที่ 11, และบทที่ 13. พี่น้องครับพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาพระเจ้าทรงตัดสินอย่างเที่ยงตรงยุติธรรมแม้ยาโคบซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักหรือดาวิดนั้นก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พระเจ้ายกโทษให้ครับแต่ผล ของความบาปนั้นเราต้องรับคืนรับคืนไปครับคนหลอกลวงต้องถูกหลอกลวงคืนคนผิดประเวณีก็ต้องรับผิดประเวณีคืนนั่นคือพระเจ้าทรงให้คนที่ทําบาปจะได้รับผลของความบาปจริงๆแล้วผลของบาปนั้นคือความตายครับแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตอิรันปรเปโหยซูทรงรับผลแห่งความบาปคือความตายไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องตายครับแต่ผลหรือ การสืบเนื่องจากบาปนั้นหลายคนยังต้องรับอยู่ครับเพราะหนีไม่พน้นหลักของพระเจ้ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าก็เที่ยงแท้แน่นอนอเมน